เรื่องนี้คิดว่าดีมีประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่งเศรษฐีขี้เหนียวครับในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติถึงแปดสิบโกดอยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีคนนี้ก็มองดูสมบัติสองตัวมเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วก็คิดว่าเออทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่มากมายเวลาเนี้ยเราคงจะได้มาด้วยอนานาจแห่งบุญกุศลแต่อดีต รอยว่าชาติก่อนก่อนนี้เราคงจะเคยทำบุญไว้มากมายเพราะฉะนั้นเราควรจะทำบุญอีกอ่าทำบุญอีกให้เต็มที่เพื่อจะได้รับผลที่ดีต่อไปในอนาคตเกิดไปชาติหน้าเราก็จะได้รวยอีกว่าอย่างนั้นพอคิดอย่างนี้แล้วก็เลยทําการสร้างโรงทานไว้หกแห่งที่ประตูพระนครสี่แห่งทุกทิศเลย แล้วก็กลางพระนครอีกหนึ่งแห่งแล้วที่ประตูบ้านตัวเองอีกแห่งหนึ่งทั้งหมดหกแห่งด้วยกันแล้วก็ทําการบริจาคทรัพย์ให้เป็นทานวันละหกแสนนะทาการบริจาคทานอยู่อย่างนั้นจกนกระทั่งสิ้นอายุเมื่อเวลาจวนจะสิ้นอายุสังขารท่านเศรษฐีก็สั่งพวกลูกๆของตัวไว้ว่าพวกเจ้าเนี่ยจงอย่าตัดธรรมเนียมการให้ทานของเราเสยนะตระกูลของเราเนี่ยจะเป็นตระกูลของ คนใจบุญสุนทานเพราะฉะนั้นรักษาชื่อเสียงในเรื่องนี้ไว้พอสั่งสอนอย่างนี้แล้วแกก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเท้าสั ก, กะเทวราชอยู่บนดาวดึงสําหรับบุตรที่รับมรดกนั้นพอเสร็จีผู้เป็นพ่อตายไปแล้วตัวก็ทําการบริจาคทานสืบต่อมานะคนที่หนึ่งนี่ตายไปก็ได้เกิดเป็นจันทเท พ, พบุตรหลังจากนั้นผู้ที่สืบเชื้อสาย ต่อมาก็รักษาประเพณีของวงศ์ตระกูลด้วยการให้ทานตลอดการเป็นนิดแล้วพอตายก็ได้ไปเกิดคนที่สองเนี่ไปเกิดเป็นสุริยะเทพบุตรมาตาลีเทพบุตรแล้วก็ปัญจสิกะเทพบุตรตามลําดับทีนี้พอมาถึงรุ่นของโกศยะเศรษฐีนะลูกของปัญจสิกะเทพบุตรนี่แกไม่ได้ทําตามเยี่ยงอย่างของบรรพบุรุษไม่เพราะว่าใจเกิดความตรนี่ทีเหนียว เพราะคิดว่าเอ้ปู่เราพ่อเรานี่โง่สิ้นดีเลยทรัพย์สมบัติสแสวงหามาได้ยากอยา ก, ยากเอามาให้คนอื่นทำไมไม่เอาอะเราไม่ให้เราจะรักษาทรัพย์สมบัติของเราไว้จะไม่ยอมให้ใครไปนั่นขดัดเรื่องอะไรจะมาเอากันง่ายๆเสร็จแล้วแกก็ให้รื้อโรงทานทั้งหกแห่งเสียนะครั้งนั้นพวกระยะจบ ก, ก็ไปประชุมร้องทุกข์กันที่ประตูบ้านเศรษฐี เสร็จแล้วก็บอกว่าข้าแต่มหาเศรษฐีขอท่านจงอย่าทําลายวงประเพณีที่ท่านเคยให้ทานเลยตระกูลน้องท่านเคยให้ทานมาตั้งแต่ไม่รู้ว่ากี่ชั่วคนแล้วทําไมถึงจะเลิกเสซะล่ะถึงแม้ยาโจกเหล่านั้นจะพากันร้องทุกข์ยังไงก็ตามแต่เศรษฐีก็ไม่ได้ฟังถ้อยคําของคนเหล่านั้นล่ะแล้วก็อาศัยเหตุที่เศรษฐีเป็นคนตัวนี่ทีเหนียว ก็ให้คนคอยห้ามไม่ให้ยาจกคนใดคนหนึ่งไปกล้ำกลายหน้าบ้านน้องตัวได้พวกยาจกก็เลยไม่กล้าไปที่ประตูบ้านเศรษฐี น, นั่นี่ตั้งแต่โกสิยะเศรษฐีตั้งหน้าตั้งตารวบรวมทรัพสมบัติอ่าไม่ยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งบริจาคหรือว่าใช้สอยอะไรเลยอ่มีแต่ก็จะรวยขึ้นรวยขึ้นตัวเองกับลูกเมียบ่าวไพร่กรรมกรก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างปอนๆถึงแม้ว่าจะมีทรัพสมบัติมากมาย ก็ไม่เอามาใช้เพราะหวงเพราะขี้เหนียวใช้ชีวิตเยี่ยงคนขัดสนจนยากก็นับว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปอีกแบบนึง่งคนที่ร่ำรวยด้วยโภคสมบัติแต่กลับไม่ยอมใช้จ่ายทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวเยี่ยงเศรษฐีผู้นี้พระท่านบอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมแต่อดีตที่เคยทำบุญทำทานแล้วก็เกิดความเสียดายทรัพย์ขึ้นมาในภายหลัง คนที่ทำบุญให้ทานไปแล้วและมาเกิดความเสียดายขึ้นมาในภายหลังี้อย่างเนี้ยเวลากรรมให้ผลจะทำให้ตัวได้มีโอกาสเกิดในตระกูลของเศรษฐีด้วยอำนาจแห่งทานที่เคยบริจาคเอาไว้แต่เพราะอำนาจแห่งอคูโสนละจิตที่ให้ไปแล้วเกิดความเสียดายภายหลังทำให้ถึงแม้จะมีทรัพย์มากมายแค่ไหนก็ไม่อยากจะใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัว ยอมทนอดทนอยากใช้ชีวิตเหมือนกับคนไร้ทรัพย์อย่างนั้นข้อ น, นี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำบุญทำทานสิ่งใดก็ควรจะทำใจทำเจตนาของเราให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งสามขณะคือก่อนให้ก็มีความดีใจที่จะได้บริจาคทานขณะให้ทานอยู่จิตใจก็เบิกบานช่ำชื่นและหลังจากที่ให้ไปแล้วก็ไม่นึกเสดมเสดายในทรัพย์ที่ได้บริจาคไป การเจตนาไว้อย่างนี้ชื่อว่าตั้งเจตนาไว้บริสุทธิ์ทั้งสามขณะเมื่อบุญนั้นให้ผลในชาติไหนก็ย่อมส่งผลให้อย่างเต็มที่คือทําให้เกิดมาในครอบครัวที่มั่งคั่งด้วยแล้วก็สามารถใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวได้อย่างเต็มที่ด้วยถ้าเวลาทําบุญให้ทานไปแล้วเกิดความเสียดายภายหลังเดี๋ยวจะเป็นอย่างเศรษฐีในเรื่องนี้นะครับทีนี้อยู่ต่อมาวันหนึ่งเมื่อโกศิยะเศรษฐีขี้เหนียวคนนี้ จะไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตก็ชวนเศรษฐีซึ่งเป็นสหายให้ไปด้วยกันจะเดินไปชวนเขาที่บ้านตอนที่ไปชวนเขาที่บ้านเนี่ยเศรษฐีสหายกับบุตรภรยาเขากําลังนั่งกินข้าวปลาญาดกันอยู่พอดีพอเห็นโกศิยะเศรษฐีเดินเข้าไปเขาก็ลุกเชื้อเชิญให้เข้าไปนั่งแล้วก็เชิญให้กินข้าวปลายาดด้วยกันทั้งทั้งที่ใจอยากจะกินข้าวปลาญาดใจจะขาดเพราะของดีๆอย่างนี้ตัวเองไม่ค่อยเคยซื้อมากินหามากินหรอกมันแพง โกศิยะเศรษฐีถึงแม้จะอยากแสนอยากก็สู้ทนนั่งกลืนน้ำลายแต่ไม่ยอมกินตามคาเชือ้อเชิญทั้งนี้ก็เพราะคิดว่าถ้าเราไปกินของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องไปกินของเรามั่งแล้วเรามาบ้านเขาคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาเกิดไปกินของเราแล้วเขาเอารู่เอาเมียไปด้วยทั้งสามคนอย่างเงี้ยเราขาดทุนแย่เลยเออแล้วทรัพย์ของเราก็จะหมดเปลืองไปโดยไรยประโยชน์ด้วย แต่เมื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจโกสิยะเศรษฐีก็แกล้งตอบไปว่าเพิ่งกินมาตะกี้นี้เองยังอิ่มอยู่เลยเนี่ยเนี่ยพกินก็มาเนี่ยเชิญเชิญเชิญเชิญท่านตามสบายพอเสร็จจากการบริโภคข้าวปายาเสร็จก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าปรมาทัตเวลากลับจากเฝ้าโกสิยะเศรษฐีเดินมาก่อนนึกไปพลางเอเราอยากกินข้าวปายาเยอเหลือเกินเนี่ เดี๋ยวถ้าเรากลับบ้านแล้วเราไปบอกใครคนใดคนหนึ่งในบ้านเราว่าเราอยากจะกินข้าวปลายาดไอ้พวกคนในบ้านมันก็จะพลอยอยากกินไปกับเราด้วยนะแล้วถ้าเราทํากินนะโอ้ยตายจะเปลืองขนาดไหนเนี่ยเออสิ้นเปลืองหมดข้าวหมดของไปเป็นอันมากแมว อ, อย่าบอกใครดีกว่าคิดอย่างนั้นแล้วแกก็สู้เดินอดกัน้นความอยากไปจนกระทั่งถึงบ้านของตัวแล้วเข้าไปนอนทนหิวอยู่โดยไม่ยอมปีกปากบอกใคร ฝ่ายภรรยาเห็นผัวทำท่าแปลกๆ แ, แล้วก็เข้าไปถามพี่พี่เป็นอะไรอะ่ะนอนคลุมโปองอะ่ะเปล่าไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อว่าพี่ไม่เป็นอะไรอะ่ะพี่ต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยถูกพระราชากีิ้วมาเหรอถึงได้มานอนซุมอยู่อย่างเงี้ยเปล่าอะ่ะถ้าอย่างนั้นพวกลูกๆกคงจะมาร่วงเกินท่านหรื อ, อยังไงเปล่าอะ่ะ อ้าวถ้าอย่างงั้นคงจะนึกอยากจะกินอะไรสักอย่างแล้วมั้งถ่าพอถามเขาอย่างนี้มันจี้ถูกใจดำเน่ยอ่าเสร็จถี่นิ่งเลยนิ่งใช้ความคิดสักพักว่าควรจะพูดดีไหมพูดดีเสร็จแล้วก็ตัดสินใจบอกเมียเออมมันมันมันอยากจะกินนะแต่ว่าไม่อาจจะบอกใครให้รู้อ้าวไม่บอกคนอื่นก็บอกข้าสิข้ารับรองจะไม่ไปแพ่งพายใครรู้ไป็นอันขาดเลย โกศิยะเศรษฐีฟังอย่างนั้นก็เบาใจก็เล่าเรื่องนับตั้งแต่ไปเห็นเพื่อนกินข้าวปลาญาติแล้วก็นึกอยากจะกินอ่าแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวจะสิ้นเปลืองทรัพย์ภรยาฟังท้อยคําของโกศิยะเศรษฐีอย่างนั้นก็นึกขำอยู่ในใจเสร็จแล้วก็เอ่ยปากบอกว่าพระโทเอ้ยท่านพี่ท่านยากจนนักเหรอถึงได้มานอนทนอดทนอยากกลุมโปงครางเป็นนกถืออยู่อย่างเงี้ยนี่น เรื่องข้าปรายาตินี่นะอย่าว่าแต่ท่านผู้เดียวเลยฮะที่ข้าจะหุงให้ท่านกินเนี่ยถึงประชาชนในพระนคร น, นี้ทั้งหมดจะมารวมมันกินข้าปลายาติในบ้านของเราข้าก็รับอาสาจะหุงให้พอเลี้ยงคนทั้งเมืองเลยก็ยังได้โกสิยะเศรษฐีฟังคำพูดภรรยาอย่างนี้เหมือนถูกตีหัวด้วยไม้ค้อนเขาบอกปรยาบอกว่าเออก็ได้สิเธอมันเศรษฐีนี่ ถึงได้คิดเลี้ยงคนทั้งเมืองฉันน่ะไม่เอาด้วยหรอกสิ้นเปลืองโดยปราประโยชน์ภรรยานี่รู้ใจว่าสามีในขี้เหนียวขนาดไหนก็เลยเอาใจเออไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันพูดเล่นอ่าเออเราไม่ต้องเลี้ยงคนทั้งเมืองหรอกถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงแค่คนที่อยู่ถนนเดียวกันกับเราแค่นั้นแหละท่านว่า ด, ดีไหมอะไรนะแล้วพวกชาวบ้านเหล่านั้นเขาก็มีกินมีอยู่กันแล้วแล้วจะไปเลี้ยงว่าทาไมอีก เออเ อ, อถ้าอย่างนั้นก็เลี้ยงเฉพาะบ้านใกล้เรือนเคียงของเราก็แล้วกันบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่เห็นจะต้องมีความจําเป็นต้องไปเลี้ยงเขาเลยปากไม่ค่อยดีอิ่มก็ดีไม่อิ่มก็นินทาเอาทําไม่ให้เลี้ยงกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงข้าก็จะหุงให้เลี้ยงกันเฉพาะหมู่ญาติของเราเท่านั้นญาติของเราอะ่ะไปเลี้ยงมันทำไมญาติไปโตไปเลี้ยงมันดิเพราะพวกญาติเห็นเรามีของดีๆกินทีเนี้ยมันก็มาเรื่อยแหละเออ ท, ท่านไม่ให้เลี้ยงหมูญาติข้าก็จะหุงข้าวปลายญาตให้เฉพาะท่านกับข้ากินกันสองคนเท่านั้นแหละแล้วเธอเธอเธอเธอเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรถึงจะต้องกินข้าวปลายญาตด้วยในเมื่อเธอไม่เป็นอะไรเธอก็ไม่ควรกินเพราะมันสิ้นเปลืองข้าวของไปโดยใช่เหตุไอ้ที่ฉันอยากจะกิ น, นหมายถึงว่าฉันจะกินคนเดียวถูกเข้าท่านี้เมียไม่รู้จะพูดไงเ ง, ง, งือ่อไงอ้าวแล้วพี่ถ้าอย่างนั้นจะหุงเฉพอะท่านกินคนเดียวเท่านั้นแหละ ท่านจะเห็นเป็นประการได้เอาดีสิเห็นไปดีดีดียิ้มแก้มแฉะแตกเนี้ยเอแต่ว่าเดี๋ยวอย่าได้หุงในบ้านนี้เป็นอันขาดเจียวทําไมอะกลิ่นน้องมันจะทําให้อพวกอคนที่อยู่กับเรานี่มันนึกอยากจะกินขึ้นมาด้วยเดี๋ยวพอฉันจะกินนะมันก็มานั่งเสนอหน้าอันสลอนแล้วฉันจะทํายังไงอ่ะฉันก็ต้องแบ่งให้มันกินนะดิเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอจงเตรียมเครื่องครัวสําหรับหุงข้าวบายาตนะเดี๋ยวเราจะไปหุงกันในป่า ให้มันไกลๆคนหน่อยฝ่ายภรรยาก็ทำตามโดยไม่ได้ขัดขืนคำสั่งแต่ประการใดเสร็จแล้วก็จัดแจงเตรียมข้าวเตรียมของสำหรับที่จะได้ไปหุงข้าวปายาคินกันเองในป่าครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาเล่าเรื่องเศรษฐีขี้เหนียวกันต่อโกศิยะเศรษฐีก็ใช้คนใช้หอผิวสิ่งของเหล่านั้นเตามั่ง กระสอบข้าวมังออกไปในป่าอพอไปถึงที่จะหุงแล้วก็ไล่คนใช้ไปอยู่ที่อื่นไม่ให้มายุง่งส่วนตัวของโกสิยะเศรษฐีก็จัดทําที่หุงขึ้นตั้งเตาจะหุงข้าวปลายาดโดยโดยไม่ให้ใครรู้เห็นแต่ถึงกันนั้นก็ยังไม่ได้รอดพ้นจากสายตาของผู้รู้เห็นไมเพราะว่าเวลานั้น ท่านเท้าส ก, กะเทวราซึ่งเป็นต้นสกูลของโกศิยะเศรษฐีก็ทอดพระเนตรดูทิพยะสมบัติของพระองค์มองไปมองมาก็คิดว่าเอเนี่ยเราได้มาเป็นเทวดานี่เราได้เพราะเราทำอะไรหนอะพอทรงรำพึงอย่างนี้ก็ทรงทราบด้วยญาณว่าได้เพราะว่าทำบุญนะสมัยเมื่อเกิดเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงพระณสีเสร็จแล้วท่านก็สอส่องทิพเนตรว่า ผู้ที่สืบทอดมรดกต่อจากเราไปเกิดที่ไหนกันบั่งก็ทรงเห็นว่าบุตรของเราได้เกิดเป็นจันทะเทพบุตรหลานของเราได้เกิดเป็นสุริยะเทพบุตรเหลนของเราได้เกิดเป็นมาตรีเทพบุตรแล้วก็ผู้สืบมรดกต่อไปอ่ได้เกิดเป็นปัญจสิกขาเทพบุตรส่วนผู้ที่สืบทอดต่อจากปัญจสิกขาเทพบุตรเวลานี้มันยัง เป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์อ้าวเอ๊ะนี่มันตัดวงประเพณีการให้ทานเขาเราเสียแล้วนี่โอ้ในเมื่อเขาตัดประเพณีอันนี้เขาต้องไปเกิดในนรกแน่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราควรจะจะลงไปให้อุวาสั่งสอนเขาให้เขาได้ทำบุญสุนทานอย่างที่เราเคยทำมาพอดำลิอย่างนี้แล้วก็ตัดเรียกเทพระบุรทั้งสี่องค์มาพร้อมกันแล้วก็ตัดสั่งบอกว่าพวกลูกๆทั้งหลาย เดี๋ยวเราจะต้องไปสู่โลกมนุษย์พร้อมกันเพราะเวลานี้เจ้าโกสิยะเศรษฐีมันตัดวงผู้บำเพ็ญทานเขาเราเสียแล้วมันรื้อโรงทานเขาเราหมดเลยแล้วพวกขอทานก่อมอบมันก็ยุหมาไล่กัดทรัพย์สมบัติที่มีนะไม่ได้เป็นประโยชน์ากเขาและคนอื่นๆเลยบัตรเนี้ยเขาต้องการที่จะกินข้าวปลายาดมันออกไปหุงข้าวปลายากินในป่าคนเดียว้วยความขี้เหนียว เพราะว่าถ้าหาว่ามันหงในบ้านมันกลัวคนอื่นจะกินด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องไปสั่งสอนให้มันรู้จักผลในการให้ทานกันซะหน่อยเอ่อเอาอย่างนี้พวกเราควรจะเข้าไปขอข้าวปลาญาติกับมันโดยลำดับไปคือพวกเราควรจะเนรมิตตนเป็นพวกพรามแล้วก็ทยอยกันเข้าไปขอนะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปก่อนเข้าไปพูดกับมันแต่ถ้าพูดแล้วไม่ฟังแล้วเราค่อยรุมอัดมัน ว่าแล้วเท้าสักกะเทวราชัดอย่างนี้แล้วก็พาเทพบุตรทั้ง 4, สี่เสด็จลงมาจากสวรรค์ในทันใดเมื่อลงมาถึงโลกมนุษย์เท้าสักดิเทวราชก่นเนรมิตรตนเป็นพรามเข้าไปขอข้าวปลายาต์กัเจ้าโกศยะเศรษฐีเป็นคนแรกโกศยาเศรษฐีสายหน้าดิกเลยข้าวปลายาติของข้าเนี่ยจะไม่มีการซื้อไม่มีการขายไม่มีการให้ใครด้วยเพราะของเหล่านี้มีนิดหน่อยหาได้ยาก มันมั น, ม, นมันไม่พอสําหรับคนสองคนหรอกมันพอสําหรับข้าคนเดียวลำดับนันท้าวส ก, กะเทวราชในร่างของพราหมณ์แปลงก็บอกว่าเดี๋ยวข้าพระเจ้าจะอ่านโครงสารเสรือให้ท่านฟังสักอย่างหนึ่งขอท่านจงฟังเถอะโอ้ยไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละไม่ฟังไม่ฟังนะต้องการจะให้ท่านไปจากที่นี่เท่านั้นแหละอย่าไปนั่งตรงนั้นไปไกลๆหน่อยอย่าไปนั่งไกลๆมอข้าวข้าไม่สบายใจ ถึงแม้โกศิยะเศรษฐีจะกล่าวห้ามยังไงพราหมณ์แปลงก็ไม่ฟังก็กล่าวคำสัญเสริญเป็นโครงมีความว่าดูกอนท่านผู้เป็นวงโกศิยะเมื่อมีผู้ขอแล้วนะถ้ามีของน้อยก็ควรให้ตามน้อยถ้ามีพอปานกลางก็ให้พอปานกลางถ้ามีมากก็ควรให้มากที่จะไม่ให้เสียเลยนั้นย่อมเป็นการไม่สมควรเราขอบอกท่านว่าท่านจงให้ทานด้วยแล้วจงบริโภคเองด้วย จงก้าวขึ้นสู่หนทางของพระอริยเจ้าธรรมดาผู้กินคนเดียวย่อมไม่มีความสุขหรอกโอ้ยแต่ข้ามีความสุขอะ่ะฮะนี่พรามแต่ว่าบทกลอนที่ท่านกล่าวตะกี้เนี่ยเออมันเพราะดีมันกันอ่ะนั่งลงเดี๋ยวพอข้าวปลายาสุกนะจะแบ่งให้นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเ อ, อนิดหน่อยพรามแปลงก็นั่งลงตามคําเชื้อเชิญของเศรษฐีเพื่อจะรอรับข้าวปลายา หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าจันทเทพบุตรสุริยะเทพบุตรมาตลีเทพบุตรและปัญจสิกะเทพบุตรก็แปลงเป็นพรามเหมือนกันเข้าไปขอข้าวปายาตกับเศรษฐีด้วยวิธีเดียวกับที่ท้าวสกกะทำห้าคนและทีนี้โกศิยะเศรษฐีพอเห็นว่ามีพรามณ์มาขอข้าวปายาติเยอะแยะอ่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวก็ทอดถอนใจใหญ่แต่ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องฝืนใจ เอาแต่ อ, อย่างนั้นก็ท่านนั่งคอยก่อนนะเดี๋ยวจะแบ่งข้าวปลาญาดให้ท่านคนละนิดคนละหน่อยเอเดี๋ยวพวกท่านไปเก็บใบไม้มาคนละใบนะเราจะแบ่งข้าวปลาญาติให้คนละเล็กคนละน้อยใส่ในบใบไม้ใหายของมันมีน้อยท่แปลงทั้งห้าก็เหยียดมือออกไปเก็บเอาใบไม้มาด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์เพราะเศรษฐีเห็นใบไม้นั้นโอ๊ยตายตายตายตา ย, ตาย ทำไมไปเอาใบาตองมาล่ะมันใหญ่เกินไปเอาใบากระเพราสิใบพริกก็ได้ใบโหระพาก็ได้ไปเอาใบาตองมามันไม่พอไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีจะใสแล้วมันใหญ่เกินไปไม่มีข้าวปญาติเยอะขนาดนั้นหรอกไปเอามาหมัยแล้วพอพรานแปลงทั้งห้าลุกขึ้นไปเก็บใบไม้ขนาดเล็กมาส่งให้ปรากฏว่าใบาไม้เหล่านั้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเท่ากับใบตองเหมือนกันทุกใบเลย เสถียร์ก็ตักใจตักข้าวปลายาใส่ลงบนใบไม้ในกลหทัตพีจนครบทั้งห้าคนแต่ปรากฏว่าข้าวปลายาในหม้อเสถียรก็ยังเต็มหม้ออยู่ตามเดิมเสถียร์เห็นเป็นอัศจรรย์รีบเอามือปิดปากหม้อเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าข้าวยังอยู่เยอะเพราะตัวเองบอกเขาว่าข้าวจะหมดแล้วตักไปให้นิดหน่อยเวลานั้นปัญจสิขาเทพบุตรก็ลุกขึ้นแปลงกายเป็นสุนัขแล้วก็ไปยืนถ่ายปัสสาวะอยู่ตรงข้างหน้าเสถียร์ ปัสสาวะมันก็กระเด็นไปถูกหลังมือเสถียรก็ต้องลุกไปจากหม้อข้าวเพื่อจะไปหาน้ําล้างมือทีนี้เจ้าสุนัขแปลงตัวนั้นก็เลยแกล้งมาถ่ายปัสสาวะลงในหม้อข้าวเสถียรเลยเพราะเสถียร์หันมาเห็นเขาก็เกิดความเดือดดาอนสุดที่จะระงับก็ความไม้ไล่ตีสุนัขแปลงนั้นแต่ว่าสุนัข ก, ก็กลับแปลงกายใหญ่โตอ่าแล้วไล่ฟัดเสถียรจนถอยร่นไม่เป็นท่าเสถียรก็เกิดกลัวอ่ากลัววิ่งเข้าไปหาพรามณ์แปลงก็ร้องขอความช่วยเหลือ พวกพรามนั้นก็แกล้งทาเฉยเสียแล้วก็พากันเหาะหนีขึ้นไปอยู่บนอากาศเพราะเศรษฐีเห็นเหตุการณ์อันประหลาดอย่างนั้นก็ถามว่าเอ๊เอ๊พวกท่านนี่เป็นเศพรามธรรมดานี่ยจะไม่เหาะได้อ่ะฮะท่านเป็นใครกันแน่ขอได้โปรดบอกข้าพเจ้าหน่อยเถอะเท้าสกตะเทวราชฉันก็ตอบว่าเออผู้นี้คือจันทะเทพบุตรผู้นี้คือสุริยะเทพบุตรผู้นี้คือมาตลีเทพบุตรสุนัขที่เห็นนั่นที่แท้ก็คือปัญจสิกะเทพประบุพ่อของท่านนั่นแหละ ส่วนตัวเราคือเท้าสักกะเทวราชผู้ครอบครองสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพระบุตรเหล่านี้ล้วนได้เสวยความเป็นทิพย์อยู่ด้วยความสุขตลอดเวลาพอตื่นจากนิทราก็ได้ฟังแต่เสียงดุริยางดนตรีขับกล่อมอยู่รอบข้างขึ้นชื่อว่าความลำบากยากเข็ญอย่างที่เห็นกันอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไม่มีบนสวรรค์เลยเรษฐีฟังถ้อยคำเท้าสั ก, กะเทวราชอย่างนี้แล้วก็กราบทูลต่อไปว่าเออ เนี่ยข้าแต่ท่านเทวดาพวกท่านได้เคยสร้างกุศลอะไรไว้ทั้งได้เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ขนาดเนี้ยพวกเราเคยให้ทานไว้ในการก่อนจึงได้มาเสวยสุขอยู่บนสวรรค์อย่างนี้ส่วนคนที่มีความจริย์ี่เหนียวแล้วก็ด่าว่าสมณะพรามทั้งหลายครั้นแตกกายทําลายขันแล้วก็ย่อมไปหมกไหมอยู่ในนรกทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสสําหรับผู้ที่มีความสํารวมกายวาจาใจก็ดียินดีในการให้ทานแก่สมณะ เวลาแตกกายทำลายขันแล้วก็ย่อมไปเกิดบนสวรรค์ดูก่อนกลเสยตัวเจ้านี้มีความตจหนีทีเหนียวไม่เหมือนพวกเราทั้งห้าผู้เป็นต้นตระกูลของเจ้าเลยการที่พวกเราพากันมาที่นี่ก็โดยหวังประโยชน์แก่ตัวเจ้าคิดจะช่วยให้เจ้าพ้นจากนรกโดยแนะนำให้มีความตจหนีทีเหนียวอีกต่อไปขอให้เจ้าจงเข้าใจอย่างที่เราว่ามานี้เถอะ โกศิยะเสษถีฟังอย่างนี้ก็มีความชัดเจนผ่องแผ้วในใจออที่พวกท่านมากันเนี่ยก็ด้วยมุ่งหมายจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแท้เอาละข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะขอทำตามคำแนะนำของท่านทุกอย่างเลยข้าพเจ้าจะละความโหนีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ทำบาปสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจะไม่ตรีห่วงแหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั่นขาด ถ้าข้าพเจ้ายังไม่ได้ให้ทานแล้ววันไหนแม้แต่น้ําข้าพเจ้าก็จะไม่ดื่มข้าพเจ้าจะให้ทานไปจนหมดทรัพย์สิ่งของแล้วข้าพเจ้าก็จะบวชเสียครั้นเท้าส ก, กัดเทวราชทรมานโกศิยะเศรษฐีให้สิ้นพยศหมดตระนีรู้จักผลศีลผลทานจนยินดีตั้งมั่นอยู่ในการบําเพ็ญทานรักษาศีลอย่างนี้แล้วก็พาเทพบุตรทั้งสี่เสด็จกลับคืนสู่เทวโลกส่วนโกศิยะเศรษฐีนั้นครั้นกลับจากป่าก็ กลับไปสู่เคหสถานของตัวเข้าไปขอพระบรมราชานุ ญ, ญาตต่อพระเจ้าพรหมทัตเพื่อจะสละทรัพย์ให้เป็นทานแก่มหาชนคนทั้งปวงเมื่อได้รับพระบรมราชานุ ญ, ญาตแล้วก็กลับไปประกาศให้มหาชนได้ทราบทั่วกันว่าอา้าวผู้ใดใครมีความปรารถนาจะได้ทรัพย์สมบัติจะมากจะน้อยเพียงไหนก็ตามไปขนเอาที่บ้านของข้าได้เลย พอคนทั้งหลายไปประชุมพร้อมกันแล้วก็ให้ในายครั้งเปิดครั้งเสื้อผ้าเงินทองก็นำออกแจกใจ่ายให้เป็นทานจนหมดสิน้นหลังจากนั้นโกศิยะเศรษฐีก็ละเคหสถานออกไปบวชเป็นดาบทบำเพ็ญพรตพรหมจรรันยร์จบจนอวสานแห่งชีวิตของตนการทำทานนั้นหนาคือจาคะเสียสละเพื่อช่วยอำนวยหนุนผู้ขัดสนจนเหลือก็เจือจุนเพิ่มทานทุนไม่ละกัุณา บันดิตสลรเสริญทานการกุศลแต่พานชนหามาตรปรารถนาเขาเกลียดชังบุญทานการบูชาไม่เมตตาผู้ใดดอกใจพานถ้าคนใดไฝ่อยู่เป็นผู้ให้ย่อมผูกไมตรีจิตมิสมานถึงพงเผ่าเหล่ากอบริวารก็ชื่นบานปลื้มปลอบชอบฤดีด้วยการให้เป็นผลเหมือนมนคลัง คอยเหนียวรั้งจิตใจไม่หน่ายหนีให้ร่วมรักมักใคร่ผูกไมตรีเอาความดีตอบแทนแสนสบาย